หลวงพ่อทำบุญกลับมาขี้เรือนวันหนึ่งฉันข้าวแล้วก็ไปนั่งเช็ดบาทอยู่ที่ขอนไม้อยู่วัดป่าทมเนียมของวัดป่าเสร็จอาหารเนี่ยพระฉันเสร็จแล้วขนหนีหมดท่านกลัวพระเนนจะขโมยกินข้าวเย็นทีนี้หมาตัวนั้นมันเดินเซซ้ายเซขวามา